<c oughs> uh, ฟังดูฟังดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดูถ้าฟังเฉยๆก็ไม่ได้ดูเป็นธรรมดาถ้าฟังดูนี่คือปฏิบัติคิดดูก็ปฏิบัติอะไรก็ดูดูทำดู ในตัวปฏิบัติทำเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติมีสิ่งที่จะเรามีสิ่งที่เราจะต้องดูหลายอย่างแล้วก็ให้ให้เป็นเรื่องที่ดูนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมรุ่นรุ่นโดเฉพาะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดู ก็เถื่อนเราใช้อะไรต่างๆก็ต้องดูแลใช้น้ําก็ต้องดูน้ำํำถ้าน้าเปิดต้องให้มีประโยชน์ถ้าไปเปิดมีแสงไฟก็ให้มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็มันก็สูญเสียสิ้นเปืองพลังงาน <c oughs> ชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าจะทำอะไรที่ไม่ได้เป็นประโยชน์คิดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์พูดเชิงใดที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ้นเปลงพลัางงานอย่ไรก็ชีวิตของเราถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับน้ำก็ได้มันก็ไปฟ้าก็ได้เวลาเรานอนหลับมันก็ยังมีไฟอยู่แต่เราปิดมันไว้ ไม่ได้ให้มันรั่วความลั่ว ก, ก็คือความคิดความฝันต่างๆมันไม่มีประโยชน์เราเตรียมตัวมาเกลมาเกลเราใช่มันแล้วให้มันเป็นประโยชน์ใช้คําพูดใช้วความคิดใช้การกระทําอยจะให้มันฟรี ใช่การกระทําใช้ความคิดใช่คําพูดที่เป็นประโยชน์ใช่การกระทํำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติใช่ความคิดจะให้ความคิดมันใช่เราจะให้การกระทํามันใช่เราอย่าให้คําพูดมันใช่เราเราใช่มั่นนี่มันก็เราใช่ไปผ้านั่นแหละใช่เพื่อให้เกิดแสงสว่างมาทําวัดอยู่ใน ปกติอยู่ในที่เดินเรามีไปฉายเปิดตะพืดนตะพื้นผมก็ไม่ได้เราใช้เพื่อเดินทางส่องดูให้สําเร็จประโยชน์นี่คือตัวปฏิบัติเรานอนหลับมันก็มันก็เราปิดไว้เราตื่นขึ้นมาเมื่อเราเปิดใช้เราคิดว่ามันมี มันมีธาตุั้งหกธาตุตัทธีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้มเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรหลายเป็นธาตุชนิดหนึ่งความรู้สึกคือคนยังไม่ตายพอนอนหลับมันก็มันก็ มันก็ใหม่เนี่ยแล้วไม่พูดมันก็ไม่เก็บเสียงมันก็ยังมีมันก็ยังมีคุณภาพความเป็นใหม่แล้วว้เฉยๆมันก็อยู่เฉยแตถ่ถ้าเราพูดมันก็ <believe> มันก็ทําประโยชน์ให้ได้เกิดเสียงเก็บเสียงให้ได้ยินเป็นเสียงที่ดังออกอเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุคือมันใช่ให้สําเร็จประโยชน์ให้เรามาปฏิบัติที่ย ก็อย่าเชื่อจะเชื่อผมที่นี่ก็เท่ากับว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่เราผิดชอบเรื่องนี้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็อย่าเชื่อทําดูแต่คิดก็คิดดูว่ามันเืออะไรเห็นเรามีสติเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างไรเวลาเราคิดเรารู้สึกตัว เวลาเราพูดเรารู้สึกตัวเวลาเราทำเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตเราเพิ่มเพิ่มเพราะรู้สึกตัวกับการใช้ชีวิตประจำวันเรียกว่าเพิ่มทำที่เป็นกุศลอย่าไปเพิ่มทำที่เป็นอกุศลเข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวัน อันนั้นไม่ได้ปฏิบัติการปฏิบัติคือการเพิ่มธทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นกุศลก็คือความรู้สึกตัวเป็นแม่เป็นมารดาของกุศลทั้งหลายเราเพิ่มเข้าไปจนเป็นนิสัยจนเป็นอาชีพจนเป็นอาชีพกลายเป็นสิกขาและทำก็เลี่ยงชีวิตพรห ม, มจรรย์ ผมว่าจังคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จะมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีตัวเพิ่มตัวลูกเข้าไปมันก็ผ้าเราที่มันซับสิ่งสกปรกมันก็เหม็นสาบมันก็สกปรกมีกรดเหม็นเราจึงซับใมันสะอาดของที่มันสะอาดมันใช้ได้อาหารที่สะอาดเราบริโภค ลราอุปโภคมันก็เป็นประโยชน์ถ้าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสกปรกก็เป็นโทษเราจึงมาเพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวมันเพิ่มความสะอาดเพิ่มความบริสุทธิ์เข้าไปสิ่งไหนที่สะอาดสิ่งไหนที่บริสุทธิ์ต้องประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งแล้วก็มันน้ำที่มันสะอาดแมลง อยู่ในน้ำก็สะอาดแต่น้ำที่เป็นน้ำสปกปรกแมลงอยู่ในน้ำก็สปกปรกเป็นหนอนเป็นตัวบุ้งตัวอะไรเหมือนกับนักสืบสายน้ำของชมรมเด็กรับนกน่กนะน้ำที่ไหนมาสะอาดเขาไปจับสันนตว์น้ามาดูมันก็มีหนอนแต่น้ำตรงไหนที่มันสะอาดมันก็มีแมลงปอแมลงงำมมันกินได้หนอนมันกินไม่ได้ ชีวิตของเราก็เหมือนกันน่ะตัวปฏิบัตินี่ยทำให้สะอาดทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีกายดีวาจาดีใจดีเนี่ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อผมทำดูเราทำอยูก็ดูด้วยอย่าทำเฉยเฉยไม่ได้ดูถ้าไม่ได้ดูมันจะไม่กำซับมันจะไม่เป็นมันจะไม่สำเร็จอ่าเราเรียนหนังสือเราเรียนดู เราทำดูเอามาทําดูเอามาบวกกันเขา้าเอามาลบเอามาหารมันมีผลลัพธ์อย่างไรได้คําตอบอย่างไรเราก็ตอบเองเราก็ผ่านเราเองเราก็ตอบได้ผ่านได้เองอความชีวิตของเราเนะี่ยมันมันใช่ได้นะหรือไฟฟ้าถ้ามันชอดมันก็ใช่ไม่ได้ความโกรธคือความชดของของชีวิต ความโลภความทุกข์คือความชดชดชดหรือไงฮะไฟฟ้าชดหรือว่าชดอะไรฮะเศรษฐกิจไฟไฟชดหรือไฟอะไรชดหรือชดชดรอแต่วันชดมันก็ใช่ไม่ได้ฮะแล้วก็ใชไม่ได้ยังไม่พอก็สินดงพลังงานเนี่ย แล้ไฟฟ้าช็อตที่หนักินไฟแล้วเสียเงินมากด้วยแต่คนธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เคยกินชีวิตเราเหมือนกันความโกรธมันคือการช็อตของชีวิตแหละสิ้นเปืองมากๆโกรธ้งมากก็กลายเป็นโลภกัเพราะอาหารไปก็อย่าลังไปไกลทุกหย่าเนี่ยมันช็อตโลภหลงที่เรีย้ทหารอะไรมันช็อตมันสิ้นเปลืองพลังงานไม่ได้ไม่ได้ใช่ในชีวิตเราไม่ได้ใช่มัน มันใช่เราเราก็สู้เปล่าสูนเปล่าแล้ยังไม่พอมก็หมดค่าหมดคนลภาพไปเลยถ้าธรรมดาธรรมดาไม่เป็นไรรู้สึกไปหดไปทำไปด้วยความรู้สึกตัวเองนี่ยมัน <c oughs> ก็เป็นประโยชน์เราใช้ไปสองดวงดีออนสองดวงวก็สว่างเห็นกันทำม้าดได้ดูหนังสือได้ ถ้าเราใชื่อไปนี่เราไม่ได้ใช้มันก็มีประโยชน์เลยถ้าเราเปิดแล้วเราใช้มันก็ได้เหมือนกันชีวิตเราความคิดก็เหมือนกันถ้าเราจับมันมาใช้เราสําเร็จประโยชน์บนรู้ธรรมถึงเมื่อถึงผลนนท์ตอนไม่ใช้เราก็ไปตกนรกไปนอเปนเป็นเปรตเป็นเจลกายเป็นภูมิที่ต้องไปสามสิบสองภูมินนท์วายุภูมิสี่สวรรค์ หองพุ่มมโลกสิบหกอะไรอันนั้นเป็นตำลาเขาพูดแต่ถ้าเรามาปฏิบัติครับก็จะฉายออกมาให้เราเห็นชีวิตของอริยภูมิมันเป็นยังไงเราปิดได้ไหมชีวิตของมนุษย์เป็นยังไงชีวิตของเทวภูมิเป็นยังไงชีวิตของ พรหมโลกเป็นยังไงชีวิตของพระเอยเจ้าเป็นยังไงเราผ่านตาเราอยู่ตลอดเวลาเราเขารู้เราก็รู้ เ, รเลือกเลียบกันสัมผัสโลโนคนหัวลุก็บาลยบภูมิภูมิโกรธั้งโกรธไปได้ภูมิไม่โกรธั้งดีมันถูกต้องอ่ะเราภูมิเราเลือดเราเลือกเืิดพระเวทีเราจุตกปัจจยยานเลื่จัจ ก, จกที่เกิดปัญญาณ เป็ญาณที่เลือก <c oughs> อาสวัคคายายนรู้จับทําให้สิ้นไปุอเพอนิวานุสานสติญาณรู้จับญาณที่แต่เก่าแต่ก่อนมันต่างกันกับเดี๋ยวนี้จะให้ไปอยู่มันก่อนุอเพเนี่ยคือก่อนก่อนนั้นต่างเก่ากับก่อนนี้กับเดี๋ยวนี้แต่กี้เดี๋ยวนี้มันต่างกันวิตีใ จ, ใจความรู้สึกคิดนึกมันต่างกัน ก็เลือกกันแล้วพิธีเลือกปฏิบัติมันยอดเยี่ยมขนาดนี่แล้วเมันก็เป็นสากลตัวหลักสากลของชีวิตจริงๆคือตัวนี้วิธีรีดองต่างๆไม่ใช่สากลลัทธิมีกายไม่ใช่สากลแต่ตัวสากลจริงๆคือตัวปฏิบัติ ไ, ไปได้ทั่วโลกแต่เราจะเอาวิธีกรรมไปมันไม่ได้หรอก เราจะพูดคาสนารนาพิธีักอย่างเหาเราเพื่ออาสพิธีนาประชที่ไหนที่ไหนมาสอนแต่ตัวปฏิบัติาสนาธรรมเนี่ยมันเป็นสากลานาวัตถุานาบุคคลาสนาพิธี มันเป็นสมุติญญตี่บญรจุขึ้นส่วนาศาสนธรรมเลยเป็นปรมัตดิ์เจ้เราต้องเข้าถึงตัวนี้ก่อนเข้าถึงตัวาศาสนธรรมตัวปฏิบัติตัวที่มันเป็นหน่งเดียวกับชีวิตเรากับทุกชีวิตด้วยควมถูกต้องมันอันเดียวกันของผิดมันก็อันเดียวกั น, น, ก น, กนถ้าคงผิดคนละอย่างมันก็ไม่ใช่ คนผิดก็เจอที่เดียวกันพวถูกก็ทังถูกที่ตรงเดียวกันเช่นผมพูดอยู่เสมอว่าตัวหลงเนี่ยเป็นตัวตัวสมุทัตัวสังขานตัวผิดแล้วเนี่ยตัวหลงตัวรู้คือตัวไม่ผิดเนี่ยถ้าหลงก็ไปหลายอย่างแต่มันก็เป็นความรักความชังความโกรธความทุกข์มันก็ไปแต่มันเป็นผลของตัวหลงตัวตัวเดียวคือตัวหลง ตัวลูกก็คือตัวเดียวกันตัวลูกก็เป็นการแช่ตัวลงการกลับตัวลงตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมากอะไรบ้างก็อนเดียวเนี่ยสาลกลควาเป็นสากลของตัวปฏิบัติของศาสนาหนึ่งเดียวของศาสนาแล้วทำให้ชีวิตทุกชีวิตจะไปทางเดียวกันทำให้คนหลายคนเป็นคนเดียวกัน เหมือนความหัตถ์ฉั์ของพระพุทธเจ้าของพัตศาสตร์ของเราทั้งที่คนหลายคนเป็นคนเดียวทั้งที่คนคนเดียวเป็นคนหลายคนก็คือตัวสั จ, จธรรมข้อปรมาทสภาวะธรรมตัวหลงหลายคนแล้วตัวลูกกับูกเดียวก็ถ้าเป็นหลายคนก็นั่งอยู่นี่พวกเราก็สิบยี่สิบสาสิบชีวิตเนี่ยแต่เรามีตัวลูกก็อันเดียวกันแต่ว่าเราเป็น เป็นหลายคนเป็นบุคคลแต่ตัวลูกอันเดียวกันตัวลูกไปอยู่กับบุคคลพวกนั้นคือธรรมเราไหว้พระธรรมเราไหว้คนดั่นก็ไหว้พระธรรมเราไหว้คนแี่ก็ไหว้พระธรรมพระธรรมที่มีอยู่ในอวัยวัยสิกขาพระธรรมที่มีอยู่ในภิสูจน์สัมเนยพระธรรมที่มีในทุกคนทุกแห่งพระธรรมที่มีอยู่ในคนพ่อคนแม่พระธรรมที่มีอยู่ในคนครูบาอาจารย์ ก็มีแต่มันก็เป็นคนแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันวันตัวรู้สึกตัวตัวนี่เป็นตัวหนึ่งเดียวตัวคนคนเดียวกันเราทำดู่ามาเชื่ อ, อ่ามาเอาเหตุเอาผลท้องไปตัวปฏิบัติตัวสร้างตัวรู้จะโลภสติเอากายไปต่อเอาเอาใจไปต่อเอาในตัวเราเนี่ย มันเต็มไปด้วความรู้สึกตัวทําให้มากด้วยภาวิตาพระอริยกตาทาให้มากเจริญให้มากรู้ให้มากมากสร้างตัวรู้ให้มากมากแต่วลู้จะเข้าไปทําหน้าที่ตัวรูกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในกายในใจเนี่ยมันก็เ <c oughs> จริญกลายเป็นสิน้เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลละ บาปได้บุตสร้างกุศลละอกุศลไปโน่นมันไปของมันแล้วเราแฟ๊บใส่น้ำเอาผ้าไปแช่ไว้แล้วก็กาจัดคราบสกรปรกน้ำใสๆเมื่อเร า, เาไปแช่ผ้าก็ากลายเป็นน้ำลำปุ๊ดเลยมันก็เอาคราบออกสกสกรปรกออกเพราะมันเป็นหน้าที่ความรู้สึกตัว มึงก็กจัดสิ่งศสโครกคืออกุศลออกจากกายว่าจากจิตของเราจิตของเราก็จะบริสุทธิ์กายของเราก็จะเป็นสิลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาตัวศาสต์ตัวบริสุทธิ์ตัวนี้เหมือนใบบัวเหมือนดอกบัวอยู่ในใครก็เหมือนกัน จะ่ลาเป็นคนดีกลายเป็นแม่จะไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลไม่ได้เกี่ยวกับลัทธินีตกายไม่ได้เกี่ยวกับพิธีลีตองเพราะการกระทาที่ถูกต้องทำให้เกิดอย่างนี้นเป็นไปเพื่อความตับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพปื่อปณิพานความไม่มีภัยความหมดพิบหมดภัยตัวปฏิบัติคือตัวนี้แล้วก็ <c oughs> เป็นสาวคนทั่วทั่วโลกตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เรามาพูดถึงตัวนี้กันอย่าไปเอาแต่พิธีลี้องมาแข่งขันมาอวดกันอไม่ใช่อันนั้นเป็นตัวสมมติบัญญัติ <c oughs> การทำบุญให้ทานตามพิธีาศาสนาเป็นสมมติบัญญัติการเทศนาทั่วๆไป ตามตหรับตาลาเลียว่านิเทศอุเทศปฏินิเท ศ, เท ศ, เทศยกเรื่องขึ้นนิเทศยกเรื่องขึ้นอุเทศอธิบายเรื่องที่ยกขึ้นปฏินิเทศสรุปให้ได้ความให้ได้ผลให่ได้ให้ทําได้ ว่าตัวปฏิบัติไม่มีนเทศไม่มีอุเทศไม่มีปฏินิเทศเข้าไปถึงเรือการอธิบายเนื้อเหตุเนื้อผลเพ่จะเอากายเป็นที่ตั้งเรียกว่ า, าปรมัถสภาวธรรมยกกายลูก จิตเกตสิกิ์นิพพาน เ, เข้าไปในอะไเรียกว่าปร ม, มัติเอาลูกเนีน่ยเอากายเา น, น, นาาี่เป็นลูกเกตสิกก็คือจิตมรรผลนิพพานเข้าไปในมันก็อยู่ที่กายที่ใจมรรคผลนิพพานเราติศึกษาเข้าไปถ้าสมมติหรือว่าชาปุกราทิฐาน เขารื่อ ง, เ ร, องเรื่องนี้อธไรทีว่เรื่องโน่นเรื่องนี้เป็นพระสูตรแต่เราเอากายเนี่ยตัวพระสูตรจริงๆคือชีวิตของเรานี่มันเป็นสูตรของชีวิตมันเป็นสูตรเอาสติเป็นตัวศึกษามาอ่านสูตรเนี่ยมาดูมาดู <c oughs> าดสดูตรเก่ยว่าพระสูตรก็วิ น, นวัยพระวิธรรม ภายในก็ม <là> sa <did> <all> ีอยู่ในสูตรในกายในจิตของเรานี่ยหาพิธรรมก็ในเรื่องกายเรื่องจิตของเราในสติเนี่ยเอาสูตรตัวสติก็เป็นสูตรสูตรมาใส่กเป็นสูตรที่เป็นโอสถเอาสติในเป็นสูตรสูตรนะสติปัฏฐานสูตร เอามาใส่กายเนี่ยกายลูกตัวเนี้เพราะสติอยู่กับกายมันก็เกิดอะไรขึ้นกนะ็เป็นสีลไตรชนนะ์เป็นสูตรม้องกิตตมรายาเอาต้น เ, เ, เปเาลาำดำฝนใสยน้ำมะนาวเอาคุณขุนเอาไป ใส่แผลที่ถูกพิษสัตว์กัดต่อยระหว่างงมามะนาวกับน้ำโพคนคนฝนพยาลากดำพยาลยากเลือด่าใส่เดนบ้านเรานะมันก็หูดพิษพิษงูพิษติดตะขับพิษอะไรก็ได้มันหูดทำให้หายปวดทำให้ไม่ตาย เคยพิคิดกับหนูเขียวหังไหมมาแล้วแต่ลูเข่าจงอ่างยังไม่ได้ทดลองก็ก็ว่าแค่ได้นี่มันเป็นสูตรสูตรดับพิษดูดพิษอ่าตะขาบคนนี้เด็กลง้งลองให้ตะขาบมันกัดจนได้ดึงออกเลยเจ็บอดอกบัววันลอยกระทง กคืนขาบมันกัดลองให้เอาโอมมาแล้วก็สองไปไปขุดออกพยาลากดำผลชน่นมามนาวเขาปิดบาดแผมัล่องกันโอ้มันปว ด, ดมันปว ด, ดหายแล้วหายแล้วไม่ัง่ยังเเอาหุ้ใส่กันเอาใส่ดูเอาใส่เออเออนีอออ่แลละ หายดีเลยตะขับไม่ต้องให้มันปวดมันเป็นสูตร <c oughs> เป็นสูตรตับพิษเอาสติเอาไวิธีกายเลยใช ส, สติเปไ็นวิธีคิจเป็นสูตรรู้ถอนรู้ถอนพิษภัยภัยคือความหลงความทุกข์ความโกรธ มดูดนะมันจะดูดพอรู่ไปสักหนึ่งวันเจ็ดวันลู่ไปสักหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนลู่ไปสักถึงปีเจ็ดปีเป็นสูตรของพระเรียเจ้าเป็นที่เกิดของพระเรียเจ้าเอาพระไปผสมกันไปรูดอยู่มันจะเป็นอย่างไรให้เราทําจุดนี้ให้เราทําจุดนี้อย่าไปเอาสูตรตัอื่น แล้วพยายามพยายามให้มากๆเราอยู่ด้วยกันพยายามถ้ามันดีไม่ดีดอกอยู่สุกโตเนี่ยอย่ามั่วอย่ามั่วสั่วกัดอย่าไปทํำมันมันเสียเวลาให้ตาคมคมให้กายคมคมให้วาจารคมคมให้จิตคมคมให้สติคมคมสติต้องให้เด่นกับทุกอย่างกับการใช้ชีวิตของเรา หัดให้เป็นนิตรใสสร้างแเกะวะสร้างแเกะวะเลยเป็นมิตรใสนะเป็นบุคกลิกอุปกรณ์เบื่องต้นของตัวปฏิบัติแต่เป็นโมเดลคิดเอาเหตุเอาผลอยู่มันเป็นตักไม่ใช่ไม่ใช่ตัวกรรมัมตัวตักมันไม่ใช่ตัวกรรมัมม่ต้องเกิดจากตัวกรรมัม ตัวกรรมคือตัวการกระทำแบบว่าไปคิดเอาเหตุเอาผลใครก็รู้หรอกเหตุผละใครก็รู้ได้คิดเอาได้ทันทีแหละโอ้เพราะอันนี้เพราะอันนี้แต่ก่อนที่ว่ามันเพราะอันนี้มันทําดูแล้วสัมผัสดูแล้วมันจึงว่าพูดมันจะพูดแล้ไม่ได้ทำเอาเหตุเอาผลบุเบิลไปอันนั้นมันเป็นมันไม่จริงมันไม่จริงมันหลอกตัวเอง ความเข้าใจกับการที่เป็นทำให้มันเป็นทำให้เป็นไม่ใช่ความเข้าใจความเข้าใจไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่แต่เข้าใจ่นนะเป็นการศึกษาแบบตักกะคิดคำนวณเราชั่วแบบคิดด ด, ด, ด, ดวนวนเราคานวณเราถูกกับจริตทิศใสของตัวเองหรือจะหัก ห้ามเลอะขาดอย่าไปเชื่อเพราะสิบอย่างเรต้นเราเอาคำนวณเราถูกกับจริตติสัยของเราเป็นคนที่คนเชื่อเป็นครูของเราอ่า น, นั้นไม่ได้ต้องเอาทำต้องมีการกระทาต้องมีการกระทาไม่ใช่เป็นหลวงพู่เทียนเราก็เชื่อหลวงพ่อพุทธทถิเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อไม่ได้ในเมือง บ้าน่าบ้านอะไรเรืพระเจ้าเดินผ่านทางผ่านทางผ่านของนักศรษฐานะเรียกว่าอะไรจำหไหมไ่้พ้่เจ้าไม่ให้เชื่อเขาถามอ้อาจาราย์เขาเล่นมาสมศรีเวลตบุตรอธิการกัมพล ปูกูกับปกกับระจ้ยนั้นอาศัยนนั้นอ่างนั้นจะให้พวกเราทำอย่างไรไม่เดาเพระสมัยโคมก็มาศัยในนี้ออกลั่นลองออกลั่นไปเลยพระเจ้าก็บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อสิจักอย่าเชื่อเพระาะได้ยินได้ฟัองอย่าเชื่อเพราะ บุงคนเนี่คนเชื่ออย่าเชื่อเพราะเหตุผลอย่าเชื่อเพราะข้กัจจิติสยอย่าเชื่อเพราะมีเหตุไม่ลอะไรพุทธเจ้าว่าไปเลยอพุท้ามเชื่อเลยแต่พุทธเจ้าอย่าไเชื่อเอาไปทาดูโอ้วลือดเลยอดไปเลยไม่เชื่อไม่เชื่อธรมไม่เชื่อธรรมทำดูอ้กสิธิหลวงพ่อเทียมหลวงเทียมตรงที่สุดไม่ใช่ พระพุทธเจ้าถูกที่สุดคําสอนสัจธรรมถูกที่สุดกุศลกับอกุศลคงรู้กับคงหลงหล อ, มมล อ, อะไรมันถูกคนเกลียวกับคงไม่โกรธอะไรมันถูกตัวนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นตัวธรรมะตัวนี้ทุกก็ตัวทุกตัวโกรธก็ตัวนี้โกรธสัมผัส ด, ดูตัวหลงก็ตัวนี้หลงสัมผัส ด, ดูนั่น จึงเชื่อทําดูแล้วจึงค่อยเชื่ออย่าไม่เชื่อลองตาอย่าไม่เชื่อลองพ่อที่พูดเอาการกระทําของเราเราอยู่ด้วยกันเพียงเป็นกันเลยาณมิตรแล้วเราก็ยังไม่พอแต่กันเลียนแค่นี้ยังไม่พอเราต้องมีกันเลีาณธรรมกันเลียนธรรมคือความรู้สึกตัว ถ้าควนมไม่รู้ไม่มีความรู้สึกตัวก็ให้มีสิ่งอื่นอย่าให้ขาดแคลนความเมตตากรุณาอย่าเหยียดแห่งต่อกันอย่าพยาบาทจะเบียดเบียนกันเว้นอย่าทะเลาะวิวาทกันเว้นเพื่ออไรเพื่สิ่งแวดลอ้อมกันเลยงานรำเพื่อให้สติมันคงกลางถ้าไม่มีสติขอให้มีกันเลยงานทำเหมือนอ่นเดิมมีระเบียบมีวินัยมีความเมตตากรุณา มีความไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นไม่ทะเลาะวิวาดกับใครๆอยู่ในศินอยู่ในความสงบปิดในเวศปริดในเวศออกจากความมุ่นหมายอย่าครุกครีกันแือว่าปิดในเวศเราลิกข้ามอเอามืงไว้ใจตัวเองไม่เมืม่อเรานุ้งอยู่เนี่ยเรากินข้าอยู่เนี่ยเราทำครัวย่างนี้ก็ปิดใเวศได้เราทำของเราไม่ได้ไปยุ่งกับใคร เขาว่ายากอือความยากกับเขาเขาว่าทุกข์เขาไม่ทุกกับเขาก็ทําไปชิมหนึ่งเอนทุ่ไปชิม น, น, นึ่งเอนได้แบปลี่นวิเลกได้ซึ่งสิ่งเดีไม่ใช่ตัวเองที่จะอยู่กับคนนี้โอ้ยอยู่กับคนนั้นดิอย่าไปอันนั้นมันเลือกไม่ได้เพราะว่ามันปรากฏการปรากฏการสีใบ้ลเราต้องยึสังข า, ขารการปลงแต่ แตนี่ได้ทุกโอกาสทุกเวลานาทีปรุงแต่อยู่ที่ไหนเปลี่ยนสังขารอยู่ที่ไหนเปลี่ยนเป็นที่สังขารเปลี่ยนสังขารอยู่ที่ไหนเปลี่ยนที่นั่นเดินจังก็เปลี่ยวก็เปลี่ยนนั่งลถเมยก็เปลี่ยนทำครัวอยู่ก็เปลี่ยนกินข้าวอยู่ก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทีสังขารสังขารคือพรุงแต่คือตัวหลงตัวคิดตัววิสังขารคือตัวรู้ตัว ตัวรูสึกตัวตัวรูสึกตัวเนี่ยเข้าไปเข้าไปในพื้นที่ทุกพื้นที่ในชีวิตของเราในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในจิตในโลสในรสในกลิ่นในเสียงล่ะเอาเงนต็มพื้นที่เอาให้ต็มพื้นที่ให้ให้เต็มพื้นที่เรียนให้เพียงพออย่าให้ขาดตกบกพรองควมรู้สึกตัวเอาทุกขนทุกแข่งเพิ่มลงไป ช่วโอกาสลงไปอย่าไปมีโอกาสนะถ้าหาโอกาสเนี่ยก็าหายากแต่ถ้าช่วยโอกาสได้ทุกได้ทุกสถานการณ์จะน่าช่วยโอกาสอตัวปฏิบัตนะินี่ต่อยเรื่องดีรู้สึกรู้สึกลู้สึกลู้สึกรู้เรื่องมากรู้หลกเป็นปีกรูหลีกเป็นน้อ ตัปฏิบัติต้องต้องมีปัญญาไปในตัวตัวปัญญาสําคัญตัวน่ยตัวเปิดไฟก็เป็นตัวปัญญาตัวดับไฟก็เป็นตัวปัญญาถ้าเห็นน้ํามันไหลเกคิดขึ้นปิดน้ําถ้าเห็นไฟมันเปิดอยู่เปิดปิดน้ำในตัวปัญญาตัวเราผิดชอบชีวิตของเราก็เหมือนกันตัวอะไรที่มันไม่มีประโย์ ปิดมันมันคิดปิดมันมันจะมีอะไรที่มันสุกคันทุกปิดมันไม่ใช่เราไม่ได้จาเป็นไม่จาเป็นต้องมีสุก ไ, ไม่เป็นต้องมีทุกไม่จาเป็นต้องไปคิดโกรธคิดลอกคิดซ่งไม่จาเป็นปิดเนี่ยเราตัวนี่ตัวปัญญาตัวปัญญาตัวนี่ข่มค่มชีวิตเราเวลางนูน่นอนนู่หาเรื่องอะไรมาคิดปิด รู้ ต, ต้นขึ рен, um. ้นาครึ La ่งคืนเพียงคืนแลก็ดูตัวเองแล้วมันนอนอยู่หลัก็้ก็ดีดมันยิมนยิมรู้ดูเบาเบาเบาอมันจะหลับอีก็ล้วพอเราปิดแล้วแลมันปิดมันจะไปไหนไม่ได้เช่มันแล้ก็อยู่เข้าสู่เข้าสู่ความปกติชีวิตที่เข้าสู่ความปกติเข้าสู่ธรรมชาติ คืนสูธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเฉยๆมันไม่หลับก็ไม่เป็นไรลกไปเลยใช่กันเลยไม่ได้สิ้นเฟลืองอะไรนะในตัวปัญญาคลมุมเป็นตัวคลมุมคลุมเกมของชีวิต ท, ทั้งหมดเลยมันเป็นความถูกต้องตัวปัญญามันก็อยู่ในสิ้นในทฤษสมาธินี่แหละ กลุ่มนี่แหละกลุ่มกลุ่มควบคุมจะเป็นหน่วยแพทย์ควบคุมโรคติดต่อคณะอะไรไม่รู้กองควบคุมโรคติดต่อไปยไปเทศที่มาอะไรกันเจ็บเขาก็รับผิดชอบมากกว่าอันนั้นเอาพวกเราก็ ังไปปฏิบัติทำไปไปมัอ่ะอันนี้ก็พอละกราบพระพ่อไปอะหังสมัโตนะปังภะวันตังอิวเจต สุปฏิปันโนภวัฏโทสร้างะสร้างก่อนสางังนั